พระพุทธศาสนาของพวกเราที่พวกเรามีความศรัทธามีความเรื่มใสมีความเคารพนี้เป็นสถาบันการศึกษาสถาบันหนึ่งความรู้ที่สถาบันการศึกษา แห่งนี้ของพระพุทธศาสนานี้เป็นความรู้ที่ต่างกับความรู้ของสถาบันการศึกษาอื่นๆเพราะเป็นสถาบันการศึกษาสถาบันเดียวที่นั้นที่สอนให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปให้ตัด การเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆไม่มีสถาบันใดในโลกนี้ที่จะมีความรู้มีความสามารถที่จะสั่งสอนให้ผู้ที่ไปศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีแต่พระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่จะสามารถสั่งสอนให้ผู้ที่มาศึกษาได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ให้หมดไปได้นี่คือสถาบันการศึกษาเอกของโลกเพราะเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ที่เหนือกว่าสถาบันอื่นความรู้ที่สถาบันอื่นให้กับผู้ที่ไปศึกษานั้นเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต่อให้เรียนจบ ญญาเอกต่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์รับรางวัลโนเบลหรือเป็นแพทย์รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แต่ความรู้หรือความสามารถที่เขาได้เรียนรู้มานี้เขาไม่สามารถนำเอามาดับความทุกข์ใจของเขาได้ไม่สามารถตัดภพตัดชาต หกการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกขนั่นเองแต่สถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนานี่เป็นสถาบันที่จะสั่งสอนให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้จบปริญญาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ก่อตั้งพระพุทธศาสนานี้ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราเราเรียกว่าพระบรมศาสดาพระองค์เป็นผู้ที่ได้ส่งค้นพบความรู้ที่จะทําให้ผู้ที่ได้รู้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบแล้วพระองค์ก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนก็เปิดรับนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มาศึกษาเมื่อได้ศึกษาตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนได้นำเอาอไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเขาก็ บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจทำให้ใจของเขานั้นมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวบุคคลเหล่านี้เราก็เรียกว่าพระอริยสงสาวกมีอยู่สี่ระดับด้วยกันเปรียบเหมือนกับระดับปริญญาต่างๆ พระโสดาบันนี้ก็เป็นระดับขั้นที่หนึ่งระดับขั้นที่สองก็พระสะกิดาคามีขั้นที่สามก็พระอนาคามีขั้นที่สก็คือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้ถือว่าเป็นปริญญาเอกพระอนาคามีก็ปริญญาโทพระสะกิดาคามีก็ปริญญาตรี พระโสดาบันนี้ก็เปรียบเหมือนอนุ ป, ปริญญาปวสระดับปบสเป็นผู้ที่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจต่างๆได้ตามกําลังของความรู้ความสามารถเช่นพระโสดาบันนี้ก็ตัดความทุกข์ได้ไปในระดับหนึ่ง ตัดภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดให้เหลือเพียงไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากคือหมายถึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติส่วนระดับที่สองระดับพระสกิดาคามีก็สามารถดับความทุกข์ในใจให้ได้มากขึ้นกว่าพระโสดาบันและตัดภพตัดชาติให้เหลือไม่เกินเพียงหนึ่งชาติ ชาติที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหลือเพียงชาติเดียวส่วนพระอนาคามีนี้สามารถตัดการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิงแต่ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกอยู่อีกก่อนที่จะได้ไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานคือขั้นของพะอระอรหันต์ บาอหาร น, นี้เป็นเหมือนนักศึกษาที่จบปริญญาเอกที่ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปและตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมาเกิดในใจภพอีกต่อไปใจภพก็คือการมาพบรูปภพอรูปภพใจ การมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังเสพกามได้แก่มนุษย์เทวดาเดรชาเปรตอสุรกายเป็นต้นสตัตว์เหล่านี้ยังติดอยู่ในการเสพรูปเสียงกลิ่นรัคือติดในการมาคุณห้าส่วนพระอนาคามีนี้ท่านตัดการเสพกามได้แต่ท่านยังไปติดกับความ ท่านยังไปเสพความสงบของฌานอยู่ท่านเลยยังไปติดอยู่สวรรค์ชั้นพรมทั้นรูปภพอารูปภพแต่สำหรับพระอาหารหันต์นี้ท่านตัดหมดท่านไม่ติดกับความสุขทางกามคุณห้าท่านไม่ติดกับความสุขทางความสงบทางรูปฌปานทางอารูปฌปานเพราะท่านมีปัญญาที่เห็นว่า ความสุขต่างๆในตายพบนี้เป็นความสุขชั่วคราวไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็มีดับเวลาเกิดก็สุขเวลาดับก็ทุกข์ท่านก็เลยไม่เอาความสุขแบบนี้ไม่เอาความสุขจากการเสพกามก็เลยไม่ต้องไปเกิดในกามมาพบไม่เอาความสุขจากการเสพรูปฌานอารูปฌาน ก็เลยไม่ต้องไปเกิดในรูปประรูปภพอรูปภพก็เลยไปอยู่ที่พระนิพพานแทนพระนิพพานก็คือที่ไม่ต้องเสพอะไรให้ความสุขการไม่เสพอะไรนี้กลับได้ความสุขมากกว่าการไปเสพความสุขต่างๆคือเสพความว่างนิบานังประมังศุนย่ยังนิพพานเป็นความว่างไม่มีอะไรให้เสพ ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีรูปประชานไม่มีอรูปประชานให้เสพจึงไม่มีการเสือ่อมไม่มีการดับจึงไม่มีความทุกข์การไม่มีความทุกข์นี่แหละคือความสุขที่แท้จริง<ม>เด็กว่านิบานังปรมังสุขขัง<ม>ผู้ที่ไปถึงพระนิพพานนี้ไม่ได้หายไปไหนเป็นผู้ที่ไปเสพความว่างเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย เพราะความว่างนี้ไม่มีความทุกข์นั่นเองไม่มีเกิดไม่มีดับไม่เหมือนกับกามคุณทั้งห้ามีการเกิดมีการดับไม่เหมือนรูปประชานอารูปประชานมีการเจริ ญ, ม, รรญมีการเสื่อมเวลาเจริญในกามในรูปประชานอารูปประชานก็ได้ความสุขแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปหมดไปตามธรรมชาติของเขา ไม่มีใครไปห้ามได้ไม่ไม่มีใครสามารถไปห้ามไม่ให้กามคุณทั้งห้านี้เสื่อมได้ไม่มีใครไปห้ามให้รูปประชานารูปประชานเสื่อมได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตายพบที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปผู้ที่มีปัญญาระดับพระอระหันต์ก็เลยตัดมันหมดเลยไม่เอาเลย พอเอาก็เท่ากับเอาความทุกข์ถ้าเอาความสุขจากการมมาคุณทั้งห้าเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาจากไปก็เจอความทุกข์เช่นเวลาเราได้แฟนได้สามีได้ภรรยาได้แต่งงานกันจัดงานเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตทุกคนหน้าบานยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสกันแล้วพอต้องมาจากกันมาแยกกัน ตอนนั้นไม่มีใครจัดงานเลี้ยงมีแต่จัดงานศพเพราะว่านี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใตยภพในกามภพก็มีกามาคุณห้าในรูปภพก็มีรูประชานในอรูปภพก็มีอรูประชานสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจึงทำให้เราทุกข์ เพราะว่ามันเวลามันหมดไปมันจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปความสุขที่เราได้จากมันก็หมดไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาผู้ที่มีปัญญาระดับพระอรหันต์จึงไม่เอาหมดกามคุณห้าก็ไม่เอารูปฌานก็ไม่เอาอารูปฌานก็ไม่เอาราสวดาบันนี้ยังเอารูปเอากามคุณอยู่ ยังอยากเสพกามอยู่พระสกีดาคามีก็ยังอยากเสพกามอยู่พระอนาคามีนั่นแหละเป็นผู้ที่ดัดการเสพกามได้แต่ยังไปเสพรูปประชานอารูปประชานอยู่จึงต้องไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมก่อนที่จะไปสู่พระนิพพานได้ ดังนั้นขอให้เราพวกเรามองพระนิพพานว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็แล้วกันสวรรค์ชั้นชั้นกับชั้นกามาพบก็คือสวรรค์ของเทวดาสวรรค์ของรูปประพบก็ของรูปประรมสวรรค์ของอรูปประพก็คืออรูปประรมส่วนสวรรค์ของพราะอารหันต์ก็คือพระนิพพานคือ ความว่างจิต ท, ที่ว่างจิต ท, ที่ไม่มีอะไรต้องเสกแต่การไม่มีอะไรเสกนี้กลับเป็นความสุขเรียกว่าบรลมาสุขนิบานังปรลมังสุขขังนิบานังปรลมังสูญอย่าไปเข้าใจคาว่าศูน์หมายถึงจิตศูนย์ไปจิตของพระอาหารหันต์จิตของพระพุทธเจ้าไม่ศูนย์แต่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์นี้ท่านไม่เสกอะไรแล้ว ท่านเสกความว่างความว่างที่เป็นความสุขอย่างยิ่งพวกเราตอนนี้ยังเสกรูปเสียงกลิ่นรสปดพทพะอยู่พวกเราเลยต้องมาทุกข์กันเพราะเวลาที่เราสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสปดพทพะเราก็มีความเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเหวเศร้าโศกเสียใจขึ้นอยู่กับการสูญเสียว่าเสียมากเสียน้อย พวกพระอนาคามีก็ไปเสื่อมไปเสียไปทุกข์เวลาที่ฌานเสื่อมเวลาสมาธิเสื่อมสมาธินี้มันก็มีเข้าแล้วก็ต้องมีออกติดสงบก็มีความสุขพอออกจากความสงบมาอาก็เกิดตันหาความอยากขึ้นมาก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือร ะ, ระดับของผู้ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนาที่จะบรรลุปริญญาขั้นต่างๆกันตั้งแต่ขั้นอนุปริญญาปรวสอไปสู่ปริญญาตรีโทเอกก็ตัดภพตัดชาติไปตัดความทุกข์ไปตามลำดับ ของการศึกษาของการปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีความทุกข์ในใจเหลืออยู่ต่อไปขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนใจของพระอาหารหันต์ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่สูญคือความทุกข์ที่มีอยู่ในใจทุกข์ที่เกิดจากการเสพกามกามคุณห้า ทุกที่เกิดจากการเสบรูปประชานทุกที่เกิดจากการเสบรูปประชานนี่คือที่สูญไปหายไปไม่ใช่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์จิตของท่านเหล่านี้ไม่หายเพราะจิตนี้มันไม่มีที่เกิดมันไม่มีที่ดับมันไม่มีการเกิดไม่มีการดับมันมีของมันอยู่อย่างนั้น เพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเองอยู่ในระดับพระโสดาบันอยู่ในระดับพระสกิดาคามีอยู่ในระดับพระอนาคามีอยู่ในระดับพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าหรืออยู่ในระดับปุถุชนอย่างพวกเราพวกเรานี้เป็นพวกที่ยังเรียนไม่จบปริญญาขั้นใดเลยเรียกว่าปุถุชนโสดาบันก็ยังไม่ได้สกิดาคามีก็ยังไม่ได้ อนาคามีก็ยังไม่ได้อาลหันก็ยังไม่ได้ได้แต่โลภโกรธหลงได้แต่กามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้แต่ทำบุญทำบาปนี่คือสิ่งที่พวกเราได้กันอุตชช น, นี้จะได้การทำบุญจะได้การทำบาปได้รับผลของการทำบาปได้รับผลของการทำบุญ วันไหนอารมณ์ดีก็ทําบุญอันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ทําบาปวันไหนอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ด้วยการไม่ทําบาปก็ไปทําบาปเพื่อจะให้ได้สิ่งที่อยากได้ยังอยู่กับตันหาอยู่ยังอยู่กับความโลภโกรธหลงอยู่ที่จะทําให้จิตของปุถุชนนี้ไปทําบุญบ้างไปทําบาปบ้างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อยู่ที่สถานการณ์ นี่คือจิตของสัตว์โลกส่วนใหญ่เป็นจิตปุตุชนจิตที่ติดอยู่ในกามาพบกันจิตที่ไปรับรางวัลและรับผลบาปก็เป็นจิตที่อยู่ในอบายได้แก่จิตของเดรัจฉานจิตของเปรตจิตของอสุรกายจิตของสัตว์นรกนี่เป็นผู้ที่ทำบาปกัน ส่วนจิตของผู้ที่ทำบุญกันหรือไม่ทำบาปก็มาเป็นมนุษย์กันถ้าทำบุญก็ไปเป็นเทวดากันถ้านั่งสมาธิได้รูปปัจจานก็ไปเป็นรูปประพรมถ้านั่งสมาธิได้อารูปปัจจานก็ไปเป็นอารูปประพรมแล้วถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า ได้เรียนรู้เรื่องอาดิยสัจสี่ 4, เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. ก็จะบรรลุเป็นอนุ mm hmm. บรรลุปริญญาระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกตามลำดับ mm hmm. ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดขั้นอนุปริญญาก็ จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจดชาติท่านปเรณ ญ, ญาตรีคือสกิดาคามีก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินหนึ่งชาติท่านพระอนาคามีปเรณ ญ, ญาโทก็ไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพพอท่านพระอรหันต์ก็ไปเกิดในนิพพานไปอยู่ในนิพพาน ไปเสกความว่างนิบานังปรมังสุญิยังนิพานิเป็นความว่างว่างปาสจากรูปประพบปาสจาอารูปประพบปาสจา ก, กามาพบคือปาสจา ก, กามกุลห้าปัาสจากรูปประชานปาสจาอารูปประชานนี้เองนี่คือเรื่องของสถาบันการศึกษาคือพระพุทธศาสนา ที่พวกเรามีความศรัทธามีความเชื่อมีความเคารพเรื่มใสที่พวกเราเข้ามากันมาฟังเทศฟังธรรมกันวันนี้เรียกว่าเรากำลังมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเพื่อเราจะได้นานาเอาไปปฏิบัติแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราบรรลุผลของการปฏิบัติ เราก็จะได้ปริญญาขั้นต่างๆนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราก็จะน้อยลงไปทันทีจากการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่มีวันสิ้นสุดพอได้เป็นพระโสดาบันนี่ก็เหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันอยู่เราให้เป็นเทวดาเป็นอิน เป็นพรหมเป็นรูปประพรมเป็นอรูปประพรมก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นอรูปประพรมก็จะเสื่อมลงมาเป็นรูปประพรมจากรูปประพรมก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์มาทำบุญมาทำบาปถ้าทำบาปก็ต้องเสื่อมลงไปต่ำกว่ามนุษย์อีกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกาย และต่ำสุดก็ไปนรกเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยฆ่าคนด้วยความเกียดแคเกียรแค้นเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเนี่ยฆ่าเขาเราเนี่ยจะต้องไปเกิดในนรกกันแล้วก็อยู่ในนรกจนกว่าบาปที่ทำไว้หมดเหมือนไปติดคุกติดตารางแล้วแต่โทษที่ทำไว้หนักหรือเบาบางคนก็ติดห้าปีสิบปี บางคนก็ตลอดชีวิต่นนรกนี้ไม่มีไม่มีโทษตลอดชีวิตติดคุกติดตารางหนักขนาดไหนตกนรกอยู่ในขุมที่เลือกขนาดไหนก็ยังมีวันที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อย่างพระเทวทัตน์นี่ทำบาปอย่างร้ายแรงพยายามปรงพระชีพของพระพุทธเจ้าเสียงสามครั้งด้วยกัน แต่ทําได้อย่างมากก็ทําให้พระบาทโลหิตห่อเลือดเนี่ยพระบาทห่อเลือดโทษของการทําให้พระบาทของพระพุทธเจ้าห่อเลือดนี้ต้องไปตกนรกแล้วก็เป็นผู้ที่กระทำให้สงเกิดความแตกแยกแบ่งเป็นสองพักสองฝ่ายฝ่ายของพระพุทธเจ้าฝ่ายของพระโสพระเทวทัตเนี่ย เนี่ยก็เลยต้องไปใช้กรรมในในนรกแต่ก่อนจะตายนี่เกิดความสำนึกในบาปที่ตนได้กระทำอย่างร้ายแรงต่อพระพุทธเจ้าในขณะที่กำลังจะถูกสุทรณีสูขเนี่ยก็ถวายกรรมให้กับพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาความสำนึกผิดการขอกมารลาโทษนี้ เป็นเหตุที่จะทําให้พระเทวทัตหลังจากที่ได้ไปใช้กรรมในนรกแล้วพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่ทําบาปอีกต่อไปจะบําเพ็ญจนได้บรรลุเป็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าเพราะสำนึกในบาปที่ตนเองได้ทําไว้ว่าเป็นโทษไว้แรงกับตนเองการขอการรมลาโทษนี้ก็เป็นการ เหมือนกับสานึกผิดและจะไม่ทําผิดอีกต่อไปถ้าขอขมาลาโทษแล้วยังกลับไปทําใหม่อีกทําบาปอีกทําผิดอีกอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าการขอขมาลาโทษที่แท้จริงการขอขมาลาโทษก็คือไม่ทําอีกแล้วลาโทษก็คือไม่ไปทําในสิ่งที่ให้เกิดโทษอีกแล้วเนีประโยชน์ของการขอขมาลาโทษก็ตรงนี้จะทาให้เราไม่กลับไปทาซ้า ซ้ำอีกเเคยทำผิดแล้วจดจำไปจนวันตายว่าทำผิดครานี้ถูกจับไปประหารชีวิตเนี่ยชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่มันจะจำได้ถ้าขอขมาลาโทษนั้นมันจะจำได้มันจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำบาปอันล้ายแรงมาครั้งนี้ครั้งต่อไปเราจะไม่มีวันทามันอีกต่อไปพระเทวทัตก็เลย หลังจากที่ได้พ้นจากโทษแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านก็จะไม่ทำบาปอย่างที่ท่านเคยทำอีกต่อไปท่านก็จะมาทำบุญมาบวชมาปฏิบัติธรรมเพราะบุญที่ท่านได้สร้างไว้ในขณะที่ท่านเป็นพระก็ยังไม่ได้สูญหายไปไหนท่านกบชบพระได้ต้องหลายสิบปีมีสมาธิมีฌาน เพียงแต่ว่าสมาธิของท่านมันไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์มีความสามารถพิเศษแต่ไม่เป็นความสามารถที่จะดับกิเลสได้สมาธิที่จะดับกิเลสได้นี่เราเรียกสัมมาสมาธิคือต้องเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขา ประกอบด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความอิ่มด้วยความพอปราศจากความรักชังกลัวหลงนี่คือสมาธิที่จะเป็นผู้ที่จะสนับสนุนปัญญาให้ดับกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่มิจฉาสมาธิคืออิทธิฤทธิต์ต่างๆความสามารถพิเศษต่างๆเช่นตาทิพหูทิพ ละลึกชาตได้อ่านจิตวาระจิตของผู้อื่นได้ความรู้ความสามารถเหล่านี้ไม่สามารถมาสนับสนุนในการทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ต้องเป็นสัมมาสมาธิก็คือต้องเป็นอัปปนาสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งสักตวรมรู้แล้วก็ มีอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่งที่เรียกว่านัตติสันติปาังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้วพอปัญญาสอนให้ละสิ่งต่างๆก็จะละได้ทันทีปัญญาจะสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ ถ้าไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันอยู่กับเราเราก็จะทุกข์แล้วก็เป็นธรรมดาถ้าเราได้อะไรมาแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไม่อยากให้มันจากเราไปเนี่ยเราเลยทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาได้สามีมาก็ทุกข์ได้ภรรยามาก็ทุกข์ได้ลูกมาก็ทุกข์ได้สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมาก็ทุกข์ ได้ร่างกายของเราเองมาก็ทุกเพราะได้อะไรมาแล้วจะหวงจะไม่ยอมจากจะไม่ยอมให้มันจากเราไปแต่ของทุกอย่างที่เราได้มานี้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันเป็นของเราเพียงชั่วคราวมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องดับมันจะต้องจากเราไปในที่สุด ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเรามีสมาธิมีอัปปนาสมาธิสนับสนุนเราก็จะล ะ, ะความอยากในสิ่งต่างๆได้หมดความอยากให้สามีอยู่กับเราไปตลอดก็ละได้ความอยากให้ลูกอยู่กับเราไปตลอดก็ละได้ความอยากให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่กับเราไปนตลอดก็ละได้ความอยากให้ร่างกายของเราอยู่กับเราไปตลอดเราก็ละได้ เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่จะต้องมีการพัดพาจากเราไปเพราะเรามีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาเป็นผู้ละความอยากต่างๆได้ถ้าเรามีเพียงแต่ปัญญาไม่มีสมาธิเราจะละไม่ได้ปัญญานี้มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังอย่างตอนนี้พวกเรากำลังเจริญสุตะมยพัญญากันกำลังได้ยินได้ฟังธรรมหน้าที่ของสุตะมยพัญญาคืออะไรก็คือให้เราได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนสิ่งที่เราได้รู้แล้วก็ตอกย้ำให้เราเกิดความเข้าใจให้ดีมากขึ้นไปการฟังธรรมจะได้ประโยชน์ ได้ยินได้ฟังทาที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วจะทำให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆได้ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องทำให้จิตใจของเราผ่องใสสงบมีความสุขจากการฟังธรรม หน้าที่ของสุดตามัญย์ปัญญาก็คือแนะนำให้เรารู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคืออะไรก็เรื่องอริยาาสัจสิเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ที่ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเราจะไม่ได้ยินเรื่องอริยาาสัจสิเรื่องของความทุกข์ใจเรื่องของเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์คือตัณหาความอยากต่างๆ เรื่องของมรที่จะมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปมร ก, ก็คืออะไรก็คือปัญญาปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ น, นี้ต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามคือขั้นภาวนามายปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่มีกำลังที่จะไปละตันหาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้ขั้นที่สอง คือจินตาไมยะปัญญาก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะหน้าที่ของจินตาไมยะปัญญาก็มีไว้เพื่อให้เราไม่หลงไม่ดืมปัญญาที่เราได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังมาเช่นวันนี้เราได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอริยสัจสี่ถ้าเราไม่นำเอาไปพิจารณาอยู่เนืองเทือค่ควรอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะลืมไปหมด ลืม เ, เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาลืม เ, เรื่องอริยสัจสี่ไปแล้วแทนที่เราจะมาละตัณหากันเราก็จะมาสร้างตัณหาความอยากกันแทนที่จะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นไปรักษณเราก็จะไปเห็นว่ามันเป็นสุขขังนิจจังอัตตาการจะเห็นกับตาละบาทเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงล หน้าที่ของจินตามัยจปัญญาก็เพื่อตอกย้าให้เราจดให้เราจาว่าของต่างๆที่เราอยากได้นี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วจะต้องทุกข์กับมันเพราะมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดมันจะต้องจากเราไปแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราจดจำได้เวลาเกิดความอยากเราก็จะได้ชะ ง, งัก ทีนีจะชนะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กำลังของใจเราว่ามีกำลังหยุดความอยากได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่ได้ฝึกนั่งสมาธิยังไม่ได้ทําใจให้สงบทําใจให้เป็นอัปปนาสมาธิเราก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เช่นพวกที่ติดบรี่ติดโซลานี่จะเลิกกันแต่ละครั้งนี่แทบเป็นแทบตายเลิกกันแทบจะไม่ได้ พ็ไม่มีกำลังของสมาธิแต่ถ้ามาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้นี่ใจเป็นอัปปนาสมาธิแล้วทีนี้ใจจะมีกำลังที่จะหยุดตัหาความอยากได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้ถ้ามีสมาธิมีอัปปนาสมาธิแล้วก็มีปัญญารู้ว่าทุกเกิดจากความอยาก รู้ว่าสิ่งที่อยากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากก็จะหยุดความทุกข์ได้คนที่ติดบุหรีนี้ถ้านั่งสมาธิได้รับรองได้ว่าเลิกได้อย่างง่ายได้ติดชุราก็เลิกได้อย่างง่ายได้ติดสามีติดภรรยาติดลูกติดอะไรต่างๆก็สามารถเลิกได้หมดถ้ามีสมาธิและมีปัญญา ที่เห็นว่าทุกอย่างที่เราไปติดนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันหรือทำให้มันเที่ยงได้ <Yeah. S 2> ห้ามไม่ให้มันไม่เที่ยงไม่ได้ห้ามไม่มันเที่ยงไม่ได้ <Yeah. S 2> มันจะต้องมีการพัดภากจากกัน <Yeah. S 2> ถ้าเรามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิเราก็เรียกว่าเรามีปัญญาชนิดที่สามเรียกว่าภาวนามายปัญญา yeah. ถ้าเรามีภาวานามายะปัญญาแล้วการจบปริญญาขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นอนุ ป, ปริญญาถึงขั้นอหรหันต์ก็ง่ายมากการอนุ ป, ปริญญาก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกข์เพราะว่าลาห้ามันไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิก็จะปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้พระโสดาบันก็ไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปส่วนพระสะกิดาคามีก็ไปทุกข์กับความสวยงามของร่างกายยังอยากจะเสพกามกับร่างกายที่สวยงามอยู่ ก็ต้องใช้ปัญญาที่สอนให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยงามไปตลอดมันก็ไม่ความสวยงามก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปหรือความสวยงามก็สวยเทียงภายนอกถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรสวยงามเลยตอนมองเข้าไปใต้ผิวหนังใต้เนื้อแล้วก็เจอแต่โครงกระดูกเจอแต่อวัยวะน้อยใหญ่ เจอแต่ตับแต่ไตเจอปอดเจอหัวใจเจอลำไส้มันสวยงามที่ตรงไหนพระสกิดาคามีก็จะทำให้ความอยากเสพกามนี้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดยังบา ง, งทีก็เผลอบางทีปัญญาตามไม่ทันก็เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ปัญญาตามทันกามอารมณ์ความทุกข์ญญาากข็จะดับไป ส่วนระดับปริญญาเอกปริญญาโทคือระดับพระอนาคามีนี้ท่านจะเห็นอัศวพตลอดเวลาท่านจะเห็นร่างกายนี้ไม่น่าดูบางทีลายก็เหมือนกับซากศพที่เดินได้ดีๆนี่ที่ยังไม่ส่งกลิ่นเหม็นก็เพราะว่ายังมีการอาบน้ําซักพอกร่างกายอยู่ยังไม่เน่ายังไม่เปื่อยเท่า น, นั้นเองแต่พอเวลาไม่มีลมหายใจแล้วนี่ไม่มีใครเก็บเอาไว้ที่บ้านเลย ต่อให้เป็นด า, า, าราภาพยนตร์เป็นนายแบบนางแบบเป็นนางงามจั ก, กรวาลถ้าไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่ไม่มีใครต้องการอีกแล้วเพราะรู้ว่าทิ้งไว้ไม่นานเดี๋ยวต้องส่งกลิ่นเหม็นอย่างแน่นอนนี่คืออสุภะผ้านาคามีจะเห็นอสุภะตลอดเวลาจึงสามารถกําจัดความอยากเสพกามได้หมดไป ส่วนพระอารหันต์นี้ท่านก็ไปเห็นความอยากในรูปประชานอารูปประชานนว่าเป็นทุกข์ถ้าอยากให้รูปประชานเป็นรูปปาัานไปเรื่อยๆมันจะทุกข์เพราะรูปประชานมันไม่เที่ยงอรูปประชานมันก็ไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับพระอารหันต์ก็เลยไม่เอาทั้งรูปประชานทั้งอารูปปัจาน เอาความว่างดีกว่าเสพความว่างคือไม่ต้องเสพอะไรเหมือนคนที่กินกาแฟก็ไม่เอาเอาน้ําเปล่าแทนเอเสพน้ํานเปล่านี้ไม่มีวันทุก ls, เพราะเวลาไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดร้อนเอแต่คนที่สนนเสพกาแฟนี่เวลาไม่มีกาแฟนี่เดือดร <c oughs> ้อนดื่มน้ํำเปล่าไม่ได้แต่คนที่ดื่มน้ํำเปล่าได้นี่ก็เป็นเหมือนกับคนที่เสพความว่างนี่เองน้ําก็มีอยู่ตลอดเวลาค กาแฟมันไม่ถาวรเหมือนกับน้ำน้ำนี่ไปที่ไหนก็มีกาแฟนี่ไปบางที่ก็ไม่มีไปอยู่ในป่าในเขาถ้าไม่เอาไปเองก็ไม่มีกาแฟเดิมไม่มีร้านสตาร์บักรอเราอยู่นี่คือการที่เราไปเสพเวลานี้มันเป็นทุกข์เพราะเวลามันไม่มีจะเสพนั่นเองแต่ถ้าเราเสพความว่างเสพกับสิ่งที่ไม่มีไปอยู่ที่ไหนมันเราก็อยู่ได้ เสบน้ำน้ำก็เหมือนกับความว่างว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยว่างจากกามาคุณทั้งห้าดื่มน้ำเนี่ยดีที่สุดไม่เป็นโทษไม่เป็นภผ่น้ำเปล่าเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ทำให้ใจทุกข์เพราะว่าน้ำนี่เราสามารถหาดื่มได้ทุกแห่งทุกคนเหมือนกับความว่างถ้าเราเสบความว่างได้แล้วเราสบายไม่ต้องเสบกามไม่ต้องเสบรูปประชานไม่ต้องเสบารูปประชาน แต่ก่อนที่เราจะปล่อยสิ่งต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ได้เราต้องอาศัยรูปประชานเป็นเป็นเครื่องมือก่อนเราต้องเสบรูปประชานไปพางพัก่อนในเวลาที่เราจะเลิกเสบกามคุณห้าถ้าเราไม่มีรูปประชานถ้าจิตไม่สงบไม่เป็นอัปปนาสมาธิมันไม่มีความสุขมันก็จะปล่อยความสุขที่เกิดจากการเสพกามไม่ได้ แต่ถ้ามันได้ความสุขจากความสมงบจากฌานแล้วมันก็จะปล่อยการเสพกามได้พอเราปล่อยการเสพกามได้แล้วพอเรามาติดอยู่ที่การเสพฌานเราก็ต้องปล่อยเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะทุกข์กับมันท่นนั่นคือขั้นของพระอาหารหันต์ขั้นของพระอาหารหันต์นี้ท่านรู้ว่า ท่านยังติดอยู่ท่านท่านยังเสพการเสพรูก ป, ประชานเสปรูปประชานอยู่ถ้าท่านไม่ต้องการจะติดไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปภพอรูปภพท่านก็ต้องไม่เสพการไม่เสพรูปประชานอารูปประชานอยู่เฉยๆเสพความว่างไปดีกว่าตัดความอยากเท่านั้นเองความอยากเสพไม่ใช่อะไรหรอกพอไม่มีความอยากแล้วจิตก็จะไม่มีความทุกข์ พอไม่มีความทุกข์จิตก็ว่างจิตก็สงบจิตก็ว่างแบบบริสุทธิ์สงบแบบบริสุทธิ์ต่างกับว่างแบบฌานว่างแบ บ, บสงบแบบสุขแบบฌานต่างกับสุขที่เกิดจากความว่างเกิดจากความไม่มีความอยากที่จะเสพรูประฌานรูประฌานหรือเสพกรรมอีกต่อไปอันนี้แหละเป็น จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่านิพานเป็นจิตที่เสพความว่างเสพความว่างที่ให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะความว่างนี้จะมีอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดไม่ดับไม่เหมือนกับฌานไม่เหมือนกับกามที่มีเกิดมีดับเวลาเกิดก็สุขเวลาดับก็ทุกข์แต่ความว่างนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับ เมื่อไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ทุกเมื่อไม่ทุกก็สุขอย่างเดียวน่ะสินี่คือเรียกว่านิพพานังปรมังสุญญงนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาจากสถาบัน ก, การศึกษาของพระพุทธศาสนาเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุด เราไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมารับใช้มารับผลบุญผลบาปที่เราได้เคยทํำอาไว้อีกต่อไปอย่างองค์คิมานี้ฆ่าคนมาต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนคิดดูสิบาปหนักขนาดไหนแต่พอได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมารับใช้กรรมที่ได้ทําไว้นี่แหละคือสิ่งที่ พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราคือความรู้วิชาความรู้ที่จะทำให้เร า, เาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไม่ใช่วิชาความรู้จากสถาบันต่างๆอื่นๆที่เราไปศึกษาเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดจากไม่รอดพ้นจากความทุกข์นั่นเองมีแต่สถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จึงขอให้พวกเรามีความชื่นชมยินดีในโชคในวาสนาของพวกเราที่ได้มาเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ขอให้พวกเราทำหน้าที่ของนักศึกษาให้เต็มที่กําลังกันขอให้เราตั้งใจศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เราได้รู้สิ่งที่เราไม่รู้ ได้ตอกย้ำสิ่งที่เรารู้ให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วเราก็ต้องไปทำการบ้านคือเราก็ต้องอเอาไป ท, ทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อการความเพื่อการความหลงลืมถ้าเราไม่ทบทวนไม่คิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆเดี๋ยวความรู้เหล่านี้ที่เราได้ยินได้ฟังมันจะหายไปหมดแล้วเราก็ต้องไปทำการบ้านอีกข้อหนึ่งก็คือไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบ ให้ได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาพอเราได้อัปปนาสมาธิแล้วเราก็ไปทําข้อสอบกันเอะไรที่ทําให้เราทุกข์ก็ปล่อยมันเลยสามีทําให้เราทุกข์ก็ตัดไปเลยเอลูกทําให้เราทุกข์ก็ตัดไปเลยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทําให้เราทุกข์ก็ตัดไปเลยกามาคุณห้าทำให้เราทุกข์ก็ตัดมันไปเลยรูปประชานทําให้เราทุกข์ก็ตัดมันไปเลยอรูปประชานทําให้เราทุกข์ก็ตัดมันไปเลย เราจะตัดได้ถ้าเรามีปัญญาเพราะเราปัญญาจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์แล้วเราปล่อยได้เพราะเรามีอุเบกขามีอัปปนาสมาธิถ้าไม่มีอุเบกขาจะปล่อยไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ยังกอดไว้ก่อนกอดสามีกอดลูกไว้ก่อนยังไม่ยอมพัดพากจากกันขณะที่จะพัดพากจากกันก็ยังกอดกันอยู่ไม่ยอมจากกันก็เลยทุกข์อย่างมาก แต่ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีสมาธิก็มีภาวนามายปัญญาแล้วจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนิบานังปรมังสนอย่างนิบานังปรมังสุ ข, ขังนี่คือเรื่องของสถาบันรการศึกษาที่วิเศษที่สุดที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งพวกเราโชคดีในชาตินี้ได้มาพบกับสถาบันการศึกษานี้และได้มา ได้เข้ามาศึกษาและอบรมเขาให้เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เถิดที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนเถิดแล้วผลต่างๆคือปริญญาขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันทโทปนะระสโสยธามณิชโชติระสโสยธาสัภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโย ο. สุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริจนะนิจังวุธาปจายโน จตรธ ม, มาวาทาติอายุวนโนสุขังาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะของอนุญาตงดตอบ ป, ปัญหา ลดลดตอบคําถามใครมีคําถามก็ขึ้นมาที่าาศาลานี้ถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้ายังไม่มีรอไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้ามีก็เข้ามาได้ถ้าเรายังถามตอบกันอยู่ก็เข้ามาถามได้ถ้าไม่มีใครถามก็จะาถามไ ด, พด้พูดใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆไมัครโฟนค่ะก็หนูขออนุญาตอ่ากั การบ้านเราไปฝึกตอนควบคู่กับการปฏิบัติสมาธิค่ะมีทั้งหมดสองคำถามนะคะคําถามข้อที่หนึ่งถามว่าวิธีการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอ่ะคะ่ะจะมีวิธีการฝึกพิจารณาแบบไหนอาจาร้าคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอ่ะเจ้าค่ะก็ตัวเรานี่ยมันก็ ไม่ใช่ร่างกายให้คิดอย่างนี้ร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเรานี้มันไม่เที่ยงมันต้องแก่เจ็บตายดังนั้นไม่ว่าเราจะใหญ่โตขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนต่อไปเราก็จะหมดความยิ่งใหญ่ไปเห็นเราอย่าไปหลงกับความยิ่งใหญ่ความความใหญ่โตวความเก่งกาจของเราว่ามันเป็นของชั่วคราวมองความเป็นไม่ ความเป็นอนิจจังเป็นความไม่เที่ยงของตัวเราเองว่าในที่สุดเราก็จะแก่จะเจ็บและจะตายไปค่ะก็ฝึกพิจารณาแบบนี้บ่อยๆใช่หมเจ้าคะพระเจ้าบอกให้นึกถึงว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้คิดอยู่บ่อยๆเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองนะเจ้าค่ะ วิธีในการพิจารณาเพื่อที่เราจะปล่อยสิ่งที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่าสิ่งที่เราเข้าไปรักเข้าไปคิดว่านี่มันคือของของเราอะคะ่ะท<ก>ี่การกปล่อยก็เหมือนกันนะทุกอย่างเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงมีมาก็ต้องมีไป ม, มีเกิดก็ต้องมีดับมีได้ก็ต้องมีเสีย ให้คิดอย่างนี้ให้คิดถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังคือไม่เที่ยงอ น, นัตตก็คือไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาเป็นของเราไปได้ตลอดพอเขาไม่เที่ยงพอเขาไม่ได้เป็นของเราเราก็จะทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงและเขาไม่เป็นของเราเรารับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์เราต้องยอมรับความจริงถ้าเราคิดบ่อยๆเราก็จะไม่ลืม ความจริงพอเราไม่ลืมความจริงเราก็จะไม่หลงจะไม่เกิดเกิ ด, กดความอยากให้เขาเที่ยงเกิดความอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดก็จะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเขาค่ะ ข, ขอบคุณมากเจ้าค่าเนะเดี๋ยวเอาไปฝึกต่อเจ้าค่ะแต่จะฝึกให้ได้ประโยชน์คือดรู้แค่นี้บางทีมันยังตัดไม่ได้เพราะมันไม่มีกําลังปล่อย ต้องไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบในใจปล่อยได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้ามีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่ปล่อยอยู่ดีทั้งทั้งที่ปล่อยได้แต่ไม่ปล่อยถ้ามีปัญญาไม่มีสมาธิรู้ว่าต้องปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้ต้องมีทั้งสองอย่างเึงเรียกว่าภาวนาไมยปัญญา ถ้าคิดบ่อยๆเรียกว่าจินตะมายาปัญญาถ้าได้ยินได้ฟังวันนี้เรียกว่าสุ ต, ตะมายาปัญญาจากสุ ต, ตะก็เอาไปพัฒนาเป็นจินตาจากจินตาแล้วก็ไปฝึกสมาธิแล้วจะกลายเป็นภาวนามายาปัญญาตามลาดับไม่พวกก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีมมะคะ่ะวันนี้มีใช่ไหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คุณต่ อ, อหยุด Youtube ประมาณห้าสิบครับแล้วก็ a c e b o ๊ k ประมาณสองร้อยห้าสิบครับช่วงวันหยุดนี้จะน้อยหน่อยถ้าวันถ้าวันทำงานก็คนแอบแอบแอบมาฟังกันดีงานมาฟังกันเยอะหน่อยสามร้อยกว่าช่วงวันหยุดไปเที่ยวกันวันนี้คำถามก็ไม่มากครับแต่ว่ามีคำมีประโยคบอกเล่าเดี๋ยวค่อยว่างไว้เล่าครับคาถาม แลกจากคุณตันหาจากเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับในอากาศไม่ได้มีความว่างเสมอไปใช่หรือเปล่าขอรับและความว่างเป็นาธาตุธาตุหนึ่งอรูปนามอารูปฌานเป็นอากาศหรือความว่างจริงหรือไม่เหมือนจิตใช่ไหมขอรับมีตัวตนมีความคล้ายคลึงกับพระนิพพานหรือเปล่าครับคือ จิตเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดนส่วนอ า, ากาศธาตุนี้ก็เป็นความว่างคือเป็นพื้นที่ที่เราตั้งของต่างๆไว้ถ้าเราไม่มีความว่างเราก็เอาของไปตั้งไม่ได้เช่นในห้องเราถ้ามันมีของเต็มไปหมดไม่มีที่ว่างมันก็ะเอาของไปตั้งก็ตั้งไม่ได้นี่คือความหมายของอากาศธาตุคือความว่างในด้านทางวัตถุเน แต่ทางจิตใจนี้ที่เราว่าว่างก็คือว่างจากความอยากที่จะเสพกามก็ดีเสพรูปประชานก็ดีเสพอารูปประชานก็ดีคือไม่เสพอะไรเลยอันนี้ก็เป็นความว่างของจิตทีทีนึงตอนนี้จิตของพวกเราทุกคนนี้ต้องเสพอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นพูุ้ชนก็ต้องเสพกามกันเสพรูปเสียงกลิ่นรสผัพพะถ้าเป็นพรหมก็จะเสพ ร, รูปประชาน หรืออรูปฌานมีพระอรหนเท่ า, า, าทนั้นที่จะไม่เสพกามไม่เสพรูปฌานไม่เสร ป, ประูปฌานเขาเรียกว่าเสพความว่างเพราะถ้าไม่มีรูปฌานไม่มีกามกามคกุลห้าไม่มีอรูปฌานก็ไม่มีอะไรให้เสพนั่นเองก็เสือว่าเป็นความว่างความว่างนี้ก็เลยเรียกว่านิพพานจิตที่ไม่เสพอะไรอยู่กับความว่างได้ เหมือนคนที่เป็นโสดได้ไม่เสกกรรมก็อยู่คนเดียวได้คนที่อยู่คนเดียวกับคนที่มีครอบครัวคนไหนสบายกว่ากันไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมาไม่กังวลกับคนนั้นคนนี้แต่คนที่มีครอบครัวนต้องเสกกรรมต้องมีสามีมีภรรยาก็ต้องมีลูกมีสมบัติมีอะไรเยอะแยะตามกันมาหมด คำถามจากคุณกิติพงศ์นะครับเวลาสวดมนต์เราได้บุญใหม่ครับแล้วถ้าได้หลังจากสวดเสร็จแล้วเราอธิษฐานบุญนี้ให้พ่อแม่หรืออุทิศให้คนตายได้ไหมครับคือบุญที่เราได้จากการสวดมนต์นี้มันยังไม่เป็นบุญที่สมบูรณ์เป็นบุญที่อยู่ในขั้นพัฒนาการเช่นเราสวดมนต์ไปเราก็จะได้สติได้ใจที่เบาสงบลงกว่าใจที่ไม่ได้สวด เวลาไม่สวดใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาได้พอเราสวดมนต์ไปเราก็ได้ความเบาอกเบาใจแต่เราไม่ได้ยอมที่จะอุทิศบุญส่วนนี้ไปให้กับผู้ร่วงรับไปเพราะผู้ร่วงรับเขาอยากจะได้บุญที่เกิดจากการาทำถวายอาหารข้าวของเงินทองเพราะเขาต้องการของเหล่านี้ไปใช้ในโลกทิพย์ เราก็เลยต้องทำบุญแบบนี้ทำบุญที่เกิดจากการซื้อข้าวซื้อของบอยจากเงินทองไปแล้วเอาเอาบุญที่ได้จากการทำบุญแบบนี้ไปไปให้กับผู้ที่โล่งรับไปแล้วคำถามจากคุณปิยะนะครับเราควรวางใจและฝึกใจอย่างไรก่อนสิ้นลมหายใจครับ ก็ฝึกเหมือนแต่ตอนนี้เลยเราต้องฝึกตั้งแต่เนี้นี่คือเราต้องปล่อยวางทุกอย่างให้ได้โดยเฉพาะร่างกายนี้ถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้เวลาร่างกายตายไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายถ้าเรายังยึดยังติดยังอยากให้ร่างกายไม่ตายเราก็จะทุกข์มากยังนต้องฝึกปล่อยวางร่างกายปล่อยวางทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เป็นสมบัติของเรา ปล่อยวางทรัพสมบัติเข้าของเงินทองปล่อยวางครอบครัวปล่อยวางอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ปล่อยวางร่างกายถ้าเราปล่อยได้ทุกอย่างเวลาเราไปเราไปอย่างสงบไปอย่างสบายมีความสุขอยู่ก็สุขไปก็สุขถ้ายึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็ทุกไปก็ทุกคำถามที่คุณนางฟ้านะครับ หนูไม่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติเหมือนตอนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆแต่รู้เสมอว่ายังปฏิบัติไม่มากพอหมายถึงไม่เต็มที่มีเผลอไม่มีสติอยู่บ่อยครั้งพเพราะเหนื่อยจากงานก็หลับทำให้ไม่มีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมงานที่ปฏิบัติระหว่างวันก็ภาวนาไม่สะดวกต้องตอบคำถามลูกค้าตลอดช่วงบ่าย 2- องถึงบ่ายสามจะมีเวลาว่างเปิด ไลฟ์สดของพระอาจารย์ฟังแทนก็จะภาวนาตามช่วงนั้นเป็นคำถามบอกเล่าเป็นคำบอกเล่าครับนยคำถามจากคุณสลาวุฒินะครับกายเกิดดับในปัจจุบันเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ อ, อ๋ อ, อก็คือร่างกายของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงทุกวินาทีนี่มันเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันดู มันช้ามากมันเปลี่ยนแปลงน้อยก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราถ่ายรูปของเราวันนี้ไว้แล้วอีกสิบปีข้างหน้ามาเปรียบเทียบดูเราก็จะรู้ว่าคนสิบปีที่แล้วกับคนวันนี้มันคนละคนกันแล้วคนที่สิบปีนั้นตายไปแล้วคนนี้เป็นคนใหม่แล้วไม่เหมือนกันนั้นเราตายเกิดทุกขณะไงร่างกายมันมันเปลี่ยนไปทุกขณะทุกขณะ ขณะปุบนี้ผ่านไปก็กับขณะใหม่นี้มันไม่เหมือนกันนะแต่มันมันมันดูยากเพราะมันเปลี่ยนน้อยมากต้องเอามาดูระยะยาวๆสักสิบปีเนี่ยเห็นเลยว่าโอเป็นคนละคนเลยยิ่งถ้าดูตอนที่เกิดมาตอนออกมาจากท้องแม่แตอนนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนเป็นคนละคนคนนั้นตายไปแล้วอเด็กคนนั้นมันตายไปแล้ว ก็จะเรียกว่าเกิดตายแบบนี้ก็ได้อย่างที่เราพูดกันความตายนี้มามากถึงตอนเวลาที่ร่างกายนี้ไม่หายใจอันนี้เป็นความตายที่ที่ชัดเจนที่สุดคําถามจากคุณรักกินนะครับถ้าฟังเทศของพระอาจารย์หรือเทศของครูบาอาจารย์พร้อมทั้งทํางานไปด้วยจะถือว่าเป็นการไม่เคารพธรรมหรือไม่ครับ คือถ้าการจะฟังเทศฟังธรรมให้เกิดประโยชน์เต็มร้อยนี่ก็ต้องฟังอย่างเดียวไม่ควรทำอะไรควบคู่ไปด้วยเพราะใจจะต้องแบ่งไปสองทางแบ่งไปที่งานก็แบ่งมาที่การฟังมันก็เลยได้ห้า0ิบห้าิบได้ไม่เต็มร้อย <c oughs> ถาอย้าไปอยู่ในที่ประชุมที่เ้ามีการฟังธรรมกันล้วเราไปนั่ง เ, เล่นหมากลุกหรือไปจดบัญชีทาบัญชีอะไร มันก็จะเป็นการไม่แสดงความเคารพต่อสถานที่ต่อบุคคลที่แสดงทําได้แต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวฟังไปผ่านทาง y o ยูทูบเลยนี่ก็ไม่มีคนฟังคนแสดงเขาก็ไม่รู้เรื่องออันนั้นไม่มีใครรับรู้ก็ไม่ถือว่าไม่เคารพเองแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์ถ้าอยากจะได้ประโยชน์คนจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าถ้าจะทํางานก็เอางานอย่างเดียวมันจะได้ทำไม่ทำทำได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด ถ้าทำงานฟังทำไปด้วยเดี๋ยวทาผิดทำถูกฟังทาก็ฟังผิดฟังถูกไปฉะนั้นก็อย่าอย่าเอาแบบนี้เอาแบบทำอย่างได้อย่างหนึ่งเลยดีกว่าถ้าจะฟังก็ฟังมันไปเลยถ้าจะถ้าจะทำก็ทำงานไปเลยยกเว้นว่าเราจะใช้มันเป็นเครื่องคล้ายๆเหมือนกับให้ละใจเราไม่ลอยไปเราก็ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจได้ เชนขับรถไปแทนที่จะฟังเพลงฟังธรรมจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ฟังเลยจะดีกว่าเพราะใจเราจะได้จดจ่อยอยู่การขับรถเพียงอย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยถ้าเราฟังไปขับไปเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์กระทันหันอาจจะปฏิบัติไม่ทันการก็ได้คําถามที่คุณวอลวัตนะครับถ้ามีคนเอาเงินมาให้เราแต่เรารู้ว่าเงินที่เขาเอามาให้นั้นไม่บริสุทธิ์ เราควรจะทำอย่างไรดีครับคือเงินของเขานี่จะมาได้อย่างไรนี้ไม่เกี่ยวกับเราอย่างญาติโยมเงินมาถวายวัดนี่เราไม่รู้ว่าโยมเอามาได้อย่างไรทางวัดก็รับไว้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เป็นไม่มีปัญธะกรณีถ้าผู้ให้ไม่ได้มีข้อแม้ว่าเออเป็นเงินเป็นเงินที่ทางวัดผู้รับจะต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดตำรวจเข้ามา มาจับแล้วก็ต้องมาถูกยึดทรัพย์เขาจะมายึดคืนไปถ้าเป็นกรณีนี้ก็บอกเขาไม่รับดีกว่าคำถามจากทางยู u ูบนะครับจากคุณธนัตดานะครับสังขารกับเวทนาในขันจัดเป็นกิเลสไหมคะอ๋อไม่เป็นสังขารเวทนานี่เขาเป็นอาการสังขารเป็น เครื่องความคิดปรุง uh, สังขารมีสองอย่างถ้าสังขารในจิตเขาเรียกว่าเป็นความคิดปรุงแต่งสังขารถ้าเราเรียกร่างกายว่าเป็นสังขารก็เป็นร่างกายที่เกิดจากการปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบางทีเราก็เรียกร่างกายเราว่าเป็นสังขารบางทีก็เรียกว่าเป็นธาตุขันของพวกนี้ไม่มีกิเลสของพวกนี้เขาเป็นของธรรมดาธรรมดา เวทนาก็ธรรมดาสัญญาสังขารเขาเป็นของธรรมดาเขาไม่ดีไม่ชั่วแต่ผู้ที่มาใช้มันนี่แหละเป็นผู้ที่ทําให้มันดีหรือชื่วเช่ร่างกายนี้เราไปป้นแบ่งนี้ป้นธนาคารร่างกายนี้ก็ชั่วขึ้นมาเขาก็จะจับร่างกายนี้ไปขังคุกขังตารางแต่ความจริงร่างกายเขาไม่ได้ดีไม่ได้ชื่วร่างกายนี้ไปทําบุญนี้มันก็ใช้ร่างกายอันเดียวกันร่างกายเป็นเครื่องมือ ผู้ที่ทำให้ดีหรือชั่วนี้คือจิตจิตนี้เอาร่างกายเอาสังขารไปใช้ในทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้สังขารความคิดเราคิดไปในทางดีก็เป็นบุญเนี่ยวันนี้คิดมาทำบุญกันเนี่ยเขเรียกว่าเอาสังขารมาใช้ในทางรมถ้าสังขารคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปป้นแบ่งนี้ก็เรียกว่าสังขารคิดไปในทางกิเลสไปทางความโลภไปทางการทำบาป งัน้นสังขารร่างกายหรือสังขารหรืออะไรต่างๆที่เราใช้กันอยู่นี้เป็นเครื่องมือเหมือนรถยนต์มันจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ใช้ทาให้เกิดโทษก็ได้อยู่ที่ผู้ใช้ว่าจะใช้ไปในทางไหนพระอารหรนันต์นี้ท่านไม่ได้ใช้ร่างกายหรือใช้ขันนี้ไปในทางที่เสียหายเลยท่านเอาไปใช้แต่ทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่พุโทโธชนอย่างพวกเรานี้ไม่แน่เพราะบางทีกิเลสมันมีกาลังมาก อยากได้เลยมากๆบางทีมันก็ให้เราไปทําบาปเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้มาอันนี้ก็เรื่องของปุตตุชนยังไม่สามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดีความคิดที่จะทําบาปได้ก็เลยเอาสังขารเอาของต่างๆมาใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรคําถามต่อไปเป็นคําถามจากพระพิสุสงฆ์นะครับจากพระ คุตตจาโรนะครับทําอย่างไรจึงจะระงับความสงสัยของจิตไม่ให้สงสัยได้ขอรับก็มันศึกษาพระธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วพอบรรลุผลก็จะหายสงสัยพระโสดาบันนี้จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ไม่สงสัยว่าอริยสัจสีนี้เป็นคําสอนของใครเพราะจะรู้จะเห็นจากการปฏิบัติ เราก็จะรู้ว่าคนที่สอนนี่ต้องมีจริงเห็นความรู้นี้ที่เราได้มามันจะรู้มาไม่ได้เรารู้ได้เพราะคนสอนบอกให้เรารู้ให้รู้ด้วยวิธีปฏิบัติพอเราปฏิบัติเราก็เห็นเราก็เชื่อว่าคนสอนนี่รู้จริงเห็นจริงก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงเพราะทมคำสอนเป็นความสอนที่เป็นจริงผู้ที่เห็นความจริงเหล่านี้ก็เป็นพระอริยสงสาวกรึ่งมา คำถามจากทาง YouTube นะครับจากนายณพลนะครับผมคิดว่าสิ่งใดที่มันถูกทาจะถูกชมถูกติเราก็ไม่ควรไปโกรธเพราะมันถูกทาไม่ใช่ชมหรือติเพราะเอาอกเอาใจหรือทำให้จิตเสียจริตเป็นเช่นนี้การคิดแบบนี้ผิดไหมครับออไม่ผิดหรอกคือต่อให้ของที่ไม่เป็นธรรมเขาจะมาชมเราก็ เราก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดกับคำชมหรือคำตำหนิขอให้เราดูความจริงเวล า, าใครเขาตำหนิเราเราดูว่าเราเป็นอย่างที่เขาตำหนิหรือเปล่าเช่นเราขี้โรคอย่างนี้เขาว่าเราขี้โรคเราดูว่าเราโรคหรือเปล่าถ้าเราโรคก็เราจะได้เปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากจะรู้ถ้าเรารู้ว่าความโรคไม่ดีแต่เราอย่าไปโกรธเขา ถ้าเ็าชมว่าเราเป็นคนใจดีเราก็อย่าไปดีใจเขาเห็นเราทาบุญเขาก็ชมเราว่าเราเป็นคนใจดีอันนี้ก็ดูตามความเป็นจริงถ้าเขาพูดจริงก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนตาบอดถ้าเขาพูดไม่จริงก็แสดงว่าเขาคนตาบอดเท่านั้นเองอย่างเขาบอกว่าเราสวยแต่เราไม่สวย <c oughs> <c oughs> หรือเราสวยแล้วเขาบอกว่าเราไม่สวย เขาลเขาเอียกเราอีควายอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปโกอธเขาเมื่อเมื่อเราไม่ได้เป็นควายเราไปโกรธกันเนาคือการฟังให้ฟังแบบฟังด้วยความจริงอย่าฟังด้วยอารมณ์คำถามจากคุณเล็กโบนะครับลูกชอบเที่ยวจะทำอย่างไรดีเราเตือนแล้วลูกไม่เคยเชื่อเลย เราเองก็มีแต่ความเป็นห่วงและเป็นทุกข์ตลอดเลยค่ะก็อย่าให้เงินเขาดิถ้าไม่มีเงินก็จะไปเที่ยวได้ยังไงก็ชอบให้เงินเขาค่าคำถามจากคุณสมพรนะครับเวลาที่เราเดินในห้างโดยที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆรู้เห็นและจับสิ่งของนั้นๆแต่หามีสิ่งปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นหรือจับไม่ถือว่าเราปล่อยวางได้ โดยไม่ใช่จากการนั่งอย่างเดียวได้หรือเปล่าคะคือถ้าเราเห็นอะไรแล้วยังมีความอยากอยู่ก็แสดงว่าเรายังยึดติดอยู่ถ้าเราเห็นแล้วเฉยๆสวยก็สวยได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ยึดไม่ติดจากคุณกูนนะครับมิติที่ห้าเป็นอย่างไรคะก็ <c oughs> ถ้าเราว่าดินน้ําลมไฟเป็นสี่มิติมิติที่ห้าก็คือจิตเนีย ในร่างกายเรานี้ในชีวิตเรานี่มีห้ามิติมีดินน้ํามลมไฟรวมกันเป็นร่างกายแล้วก็มีจิตที่มาครอบคุมร่างกายมาครอบครองร่างกายเป็นผู้มาสั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆถ้าจะเรียกว่าจิตเป็นมิติที่ห้าก็ได้ถ้าเราหมายถึงดินน้ํามลมไฟเป็นมิติที่หนึ่งถึงสี่คำถามจากคุณพรพมนะครับควรจะระงับโกรธด้วยวิธีอะไรครับ ก็ใช้สติก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ใช้เมตาก็ได้มีหลายวิธีวิธีสติก็คือเวลาโกรธ <c oughs> ก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนหรือเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้อยู่กับพุทโธไปสักพักหนึ่งเดียวมันก็จะลืมแล้วความโกรธก็จะหายไปถ้าใช้เมตาก็ให้อภัยเขาไปค้อว่าแผ่เมตตาให้เขาให้ความสุขกับเขา คิดว่าถ้าการเขาทำให้เราโกรธแล้วทำให้เขามีความสุขก็สาทุกไปไม่อย่าไปโกรธตอบอันนี้เรียกว่าให้ความเมตตาหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็พิพจารณาว่าความโกรธของเราเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากอยากให้เขาทำอะไรสักอย่างแล้วเขาไม่ทำเราก็โกรธถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอะไรเราก็จะไม่โกรธเห็นถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยาก คำถามจากคุณชินะครับเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราอย่างไรคะว่าตอนนี้สมาธิของเราอยู่ขั้นไหนแล้วและตั้งมั่นและมีกำลังพอหรือยังสมควรจะนำไปใช้ในการพิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดปัญญาต่อไปหรือยังก็เหมือนกับเรากินข้าวกินข้าวเราพักผ่อนหลับนอนพอหรือยังพอไปที่จะมีกำลังไปทำงานหรือยังถ้าไม่พอก็โทรไปบอกที่ บริษัทว่าวันนี้ขอพักเหนื่อยยังไม่มีแรงพอเนี่ยการการเจริญปัญญาก็เหมือนกับการไปทำงานการนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนการพักผ่อนหลับนอนกินอาหารให้กาลังกายนั่งสมาธิก็ให้กำลังใจให้ใจมีความสงบมีความอิ่มมีความพอมีความสุขพอมมีความอิ่มความพอมีความสุขก็จะปล่อยวางสิ่งอื่นๆที่เรายึดติดให้ความสุขกับเราได้ เพราะสิ่งที่เรายึดติดให้ความสุขมันมีความทุกข์ด้วยเวลามันจากเราไปเวลาที่เราไม่ได้มันนี่มันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเรายังไม่มีกำลังปล่อยความสุขที่เรายึดติดอยู่เราก็ต้องแสดงว่าสมาธิเรายังกำลังไม่พอเราก็ต้องทำสมาธิให้เพิ่มมากขึ้นและปัญญาของเราก็อาจจะไม่แหลมคนยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่ก็จะไม่ปล่อย คำถามข้อต่อไปจากครูภัยบูรณทองยอดนะครับธรรมะแห่งความสำเร็จในทางโลกและทางธรรมมีอะไรบ้างครับทางโลกก็เจริญในราบยศสรรเสริญสุขเป็นพระราชามาหาการศาสตร์เป็นพนานาธิปดีก็สุดยอดของความสำเร็จทางโลกสุดยอดของความสำเร็จทางธรรมก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้า คำถามข้อต่อไปจากคุณชวนนะครับตอนก่อนชอบดูหนังฟังเพลงแต่ปัจจุบันไม่ชอบฟังเพลงไม่ชอบดูหนังลองฟังก็รู้สึกเบื่อดูหนังก็ไม่สนุกเลยนี่คืออาการของคนเริ่มแก่แล้วใช่หรือเปล่าชอบฟังแต่ธรรมะโดยเฉพาะของพระอาจารย์อย่างอื่นเบื่อหมดไปเที่ยวก็รู้สึกเบื่อไม่อยากไปเที่ยวเลยก็เพราะว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงถ้าเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมแล้ว ได้ความสุขจากการฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าความสุขนี้มันดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวจากการดูหนังฟังเพลงเราก็จะเบื่อของเหล่านั้นไปจากคุณเต้ น, นะครับผมชอบไปทำบุญที่วัดและจะพาลูกๆไปด้วยบางครั้งลูกๆ ก, ก็ไม่อยากไปแต่ผมก็บังคับให้ลูกๆไปวัดทำบุญด้วยแบบนี้จะบาปไหมครับที่บังคับลูกๆไป เขาไม่บาปหรอกเพราะว่าหนึ่งลูกเขายังอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราควรที่จะคอยโน้มน้าวจิตใจของเขาให้ไปในทางที่ดีเหมือนกับการดัดไม้ไม้อ่อนนี่ดัดง่ายแต่ถ้าไม้แก่แล้วไปดัดมันก็จะหักเช่นถ้าลูกโตแล้วมีครอบครัวแล้วใบบังคับให้เขาไปวัดนี่เขาก็จะไม่ไปดีไม่ดีเขาก็จะแตกหักกับเราได้ ถ้าถึงตอนนั้นก็ถือว่ามันพ้นวัยพ้นฐานะของเราที่จะไปโน้มน้าวเขาแล้วหรือว่าถ้าเราบังคับให้เขาไปด้วยเขาแสดงอาการอไม่ปาถนาจริงๆโวอยวายขึ้นมาร้องโหมร้องไห้ขึ้นมาก็ไม่ต้องให้เขาไปเราทําหน้าที่ของเราเท่าที่เราจะทําได้ก็ฝากเขาไว้กับใครที่บ้านก็ได้เราก็ไปทําบุญของเรา ก็ถือว่าตัดหางปล่อยวันไปไม่ได้ตัดหางปล่อยวันมันไม่เข้าวัฏจะปล่อยวัฏอยงก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมไปเอราก็พยายามให้มันเป็นคนดีให้มันเจริญให้มีความสุขแต่ถ้ามันไม่อยากจะไปทางนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงจากคุณพจนีนะครับระหว่างนั่งสมาธิจะมีวิธีคิดและอยู่กับลมหายใจอย่างไรได้บ้างไม่ให้จิตฟุ้งซ่านก็ไม่ให้คิดไงเวลานั่งสมาธิคือการหยุดคิด ให้เราจดจอ่อดูถ้าเราใช้ลมหายใจก็เฝ้าดูลมเพียงอย่างเดียวให้รู้ทุกขณะว่ามันหายใจเข้าหรือหายใจออกเท่า น, นั้นเองถ้าเราเฝ้าอยู่เราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าหรือลมออกดังนั้นเขาถึงให้เราดูลมเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราดูแล้วมันยังไปคิดอยู่ดูลมของเราอาจจะไม่เกิดประโยชน์ในช่วงนั้นเราก็ใช้คำบริกรรมแทนก็ได้ บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปโดยไม่ต้องใช้ลมเลยไม่ต้องไปสนใจกับลมไม่ต้องผูกพุโทโธไว้กับลมให้อยู่กับคําบริกรรมเพียงอย่างเดียวถ้าเราบริกรรมพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันจะคิดก็ให้มันบริกรรมให้มันถี่ขึ้นหน่อยก็ได้แล้วมันก็จะหยุดคิดได้คําถามจะคุณกลนแก้วนะครับโลกทิพย์ที่อยู่ของดวงจิตเราอยู่ที่ไหนคะป้าอาจารย์ก็เ น, นี่แหละมันไม่มีที่ไง เพราะว่าร่างกายเราไม่มีรูปร่างมันก็เลยไม่ต้องมีที่อยู่แต่ร่างกายของเรานี่มันมีรูปร่างมันก็ต้องมีที่อยู่ไม่อยู่บนโลกนี้ก็ไปอยู่โลกพระจันทร์แล้วอยู่ไม่อยู่ประเทศนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ประเทศนู้นอะไรไม่อยู่ตรงนี้ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะมันมีร่างกายมันมีเนื้อที่มันมีรูปร่างก็เลยต้องมีที่ แต่ใจของเรามันไม่มีที่ไม่มีเนื้อที่เหมือนร่างกายมันก็เลยไม่ต้องมีที่ตั้งไม่ต้องมีที่อยู่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความรู้ไม่ต้องมีเนื้อที่จากคุณพานุวัตรนะครับเพื่อนขอคำปรึกษาเรื่องความรักควรตอบอย่างไรครับระหว่างตอบตามตรงแล้วเพื่อนฟังแล้วทุกใจกับเลี่ยงตอบโกหกตอบไม่ตรงแต่เพื่อนฟังแล้วสบายใจก็ไม่ควรจะโกหกอ่ะควรจะพูดความจริงดีกว่า ให้เขาไม่สบายใจเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ความจริงมันเป็นความทุกข์แ่พระเจ้าสอนว่าเราทุกข์แต่เราไม่ยอมมองความจริงกันเราก็เลยไม่รู้ว่าเราทุกข์กันเราทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากเราลักเราอยากเราต้องสอนเขาว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปทุกข์อย่าไปลักอะไรลักแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียใจเพราะต้องเสียสิ่งที่เรารักไป จาคุณสิบตุลาคมนะครับอยากจะปล่อยวางและปองกับทุกสิ่งต้องทําอย่างไรครับก็นั่งสมาธินะีตอนนี้รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ดีอยากจะปล่อยแต่ไม่มีกําลังปล่อยก็ต้องไปออกกําลังใจเหมือนอยากจะวิ่งมาราธอนก็ต้องไปฝึกวิ่งกันทุกเช้าตื่ขึ้นมาก็วิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปจนกว่ามันได้สี่สิกว่ากิโลแล้วก็ไปวิ่งมาราธอนก็เข้าได้ อันนี้ก็เหมือนกันอยากจะปล่อยแบบพระอริยะปล่อยเราก็ต้องไปฝึกสมาธิกันอฝึกสมาธิได้เราก็จะปล่อยได้คำถามจากคุณป้าหมอจิตอาสานะครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราช่วยคนในสิ่งที่เขาทำผิดทั้งทางวิเนัยและทางศิลธรรมคือช่วยปกปิดมิให้เรื่องเปิดบาปมากไหมเจ้าคะก็ไปก็ไปเราก็ทำบาปเพราะว่าเราไป เหมือนกับว่าเราไปไม่ไปทำตามความเป็นจริงมันก็ไปช่วยกันโกหกเนี่ยอันนี้เราก็โกหกด้วยก็เรียกว่าบาปคำถามจากคุณสุรพานะครับข้อที่หนึ่งเป็ดเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดคะเป็นกายทิพย์เหมือนใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยขณะนี้เป็นคนร่างกายเป็นคนแต่ใจอาจจะเป็นเป็ด ก, ก็ได้ ถ้าเราไปทำบาปด้วยความโลภนี่เราก็เริ่มเป็นเปรตเริ่มกลายพันธไปแล้วทุกครั้งที่เราทำบาปด้วยความโลภเราก็จะสะสมความเป็นเปรตของเราให้มีมากขึ้นไปตามลำดับตอนนี้อาจจะเป็นเปรตสิบเปอร์เ็นมนุษย์เก้าสิบเปอร์เซ็นถ้าทำบาปด้วยความโลภบ่อยๆไปขโมยท่องเท่าของเงินทองเ็าอยู่เลื่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นเปรตร้อยเปอร์เซ็น พ้อที่สองทราบว่าเป็มีอาหารตามกรรมของตนแต่เคยได้ฟังธรรมบรรยายอยู่ครั้งหนึ่งว่ามีเป็ที่ไปหาอาหารตามกองขยะเช่นกันจึงทําให้เกิดความสงสัยว่าเป็สามารถเสวยบุญจากเราและเป็นอาหารหยาบตามที่ได้ยินมานั้นได้หรือไม่ไม่ไม่น่าจะได้หรอกนะเป็ก็ต้องเสพอาหารทิพธ์อาหารทิพธ์ของเป็ดก็คือบุญแต่เขาไม่ได้ทําบุญเขาก็เลยต้องขอบุญของคนที่ทําไปแบ่งให้เขาไป อย่างพวกเรามาทำบุญวันนี้เราก็มีบุญเราสามารถแบ่งบุญส่วนนี้ให้กับเปรย์เขาได้จากคุณพรพผมนะครับการทำบุญต้องทำด้วยอะไรครับก็การทำบุญมีมีของที่เราทำได้อยู่สามสามอย่างด้วยกันทำด้วยเข้าของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานทำด้วยวิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานเช่นเราไปเป็นอ่เป็น ผู้ให้เป็นวิทยากรไปให้ความรู้แก่สถาสถานที่ต่างๆโดยไม่คิดเงินทองให้ฟรีนี่ก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานแล้วก็การให้ธรรมเช่นแสดงธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมก็เป็นสมการมีสามอย่างที่ให้กันอย่างที่สี่ที่เขาว่าให้กันก็คือให้อภั ย, ยนี่ก็เรียกว่าให้อภัยอภัยทาน เช่นพระเจ้าแผ่นดินไม่ลดโทษยดลดหย่อนโทษจากโทษประหารชีวิตให้เหลือเป็นจำคุกหรือว่าปลดปล่อยให้ออกมาเลยอภัยโทษอย่างนี้ก็เรียกว่าอภัยทานมีจากส t e เฟนมอร์ลิสแต่ไม่ใช่คำถามครับเขาบอกว่า I would like to thank you for answering my question this week I look forward to talking to you again next week and seeing you soon เทคแคร์ care, สาธุยูวอลคัมก่อนนี้เขาเข้ามาวันธรรมดาอยู่เลยก็มาฟังแล้วก็มาถามสมข้อความเข้ามาคำถามหมดครับอาจารย์เวลาก็หมดพอดีมีใครอยากจะถามอยู่ไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ